เพราะมองดูว่าท่านเข้มงวดจริงจังเรียบร้อยสะอาดทำให้ป้าทวนอยากมาเป็นลูกศิษย์และในที่สุดก็ได้มาเป็นลูกศิษย์พระหลวงตาจริงๆปราท่วนเล่าว่าพระหลวงตาเคยเทศเรื่องแก้วสารพัดนึกให้ปราท้วนฟังหลวงตากล่าวว่าแก้วสารพัดนึกคือบุญที่เคยทำมาอย่างมากมายเมื่อนึกอยากได้อะไรบุญนั้นก็จะบรรดาให้ได้ทุกอย่าง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 ในการแจกต้นผ้าป่าช่วยชาติให้ฟังจบหลักสูตรแจกต้นผ้าป่าป้าท้วนเริ่มต้นเป็นทีมแจกผ้าป่าด้วยการเป็นคนหันต้นและประกอบต้นผ้าป่าโดยไม่มีใครช่วยเวลานั้นมีคนคนหนึ่งบอกป้าท้วนว่า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 ทำให้ป้าท้วนตัดสินใจทำงานต่อเขาที่ปวดอยู่ก็หายปวดโดยไม่รู้สาเหตุป้าท้วนยัง น, ยนึกโมทนาคำเตือนของหลวงปู่จันทามาจนทุกวันนี้ที่ให้กำลังใจป้าท้วนสู้ต่อไปเจอหลายแบบ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 ที่นั้นปราทวนได้ไปพักที่กุฏิเล็กๆหลังวัดใกล้ๆกุฏิหลังนั้นมีรูปปั้นพระปางนาปรกประดิษฐานอยู่ด้วยใกล้ๆรูปปั้นมีพึ่งมากมายนับแสนตัวมาทำรังอยู่แต่ปราทวนไม่นึกหวาดกลัวคิดแต่เพียงต่างคนต่างอยู่และปราทวนก็มาทำบุญช่วยชาติพึ่งก็อยู่ส่วนพึ่งปราทวนก็อยู่ส่วนปาทวนึ่งก็บินวนเวียนทรารังไปปาทวนก็แจกผ้าป่าไปทาอาหารถวายพระไป